ทีนี้วิธีการศึกษาในคำสอนเป็นปริเชตลัคนาที่จะดุ ก, กะก็คือการศึกษาคำสอนของพระเจ้าพระบรมศาสดาตรัสไว้เนี่ยก็คือว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติในาศาสนาเนี่ยกำหนดสภาวธรรมก็คืออุปาทานขันห้าว่าสภาวธรรมเนี่ยก็คือว่านี้คือ รูปรธรรมนี้คือความดับของรูปธรรมนี้คือความดับของนะนี้คือเวทนานี้คือเหตุเกิดของเวทนานี้ความดับของเวทนานี้สัญญานี้เหตุเกิดของสัญญานี้ความดับของสัญญานี้สังขารธรรมนี้เหตุเกิดของสังขารธรรมนี้คือความดับแห่งสังขารธรรมนี้วิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณนี้ความดับแห่งวิญญาณเนี่ยนะอันนั้นไปกล่าวไว้ในทีขัติกายพระบรมศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุเพื่อให้หปฏิบัติกําหนด ในอุปาทานขนาันหที่บอกอิติรูปังนี้รูปธรรมอิติเวทนานี้เวทนาธรรมอิติสัญญานี้สัญญาธรรมนี้อิติสังขารานี้ก็คือสังขารธรรมอิติวิญญาณนางก็ น, นี้วิญญาณธรรมก็คือในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธปปะเนี่ยนะท่านก็นแสดงใจความที่แสดงไว้ในอัตถะาและดีกาที่บอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ย ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเพื่อให้ภิกษุนั้นปฏิบัติสรุปก็คือก็กำหนดซ้ำๆกันอยู่ก็คือเรื่องของอุปาทานกันนะเพราะเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่รอบรู้อุปาทานกันนะก็นัในหละก็คือรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณในการเนี่ยนะภิกษุที่จะปฏิบัติหรือว่าบุคคลที่จะปฏิบัติเนะี่ยเพื่อจะกำหนดรอบรู้อุปาทานขันห่านะั้นะก็ต้องรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิญาณ น, นะคือ ทรงพระประสงค์ให้เริ่มต้นการกําหนดเกี่ยนในเรื่องของรูปนามขันห้าทั้งหลายเนหรือการพิจารณาเนี่ยก็คือสภาวะของรูปปธรรมและสภาวะของนามปรธรรมเห็นไหมทั้งลักษณะเฉพาะตัวของนามและรูปตลอดถึงลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของนามและรูปที่เกิดขึ้นนี่ถ้าเราดูอย่างกรณีอรูปประธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าพิจารณาดูเกี่ยวกับในเรื่องของรูปปธรรม น, นี่ย กรณีาการสภาวะของรูปธรรมทั้งหลายมีปัจจลาลักษณะและก็มีสภาวะลักษณะของเขาโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมที่เกิดก่อนกักบรูปธรรมที่เกิดหลังที่ไม่เหมือนกันเพราะสภาพที่ความเย็นและความร้อนของมหาพูทธลูปเนี่ยกรณีในลักษณะอย่างต่างๆเหล่านี้เนี่การกําหนดโดยทั้งหมดเนี่ยโดยลักษณะรักษาประปยุปฐานและปทัฐานการกําหนดรูปประธรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ย แม้ในด้านของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในลักษณะเดียวกันก็เป็นการกําหนดที่ลักษณะรักษาปัจจุบันพัฒน์ฐานของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขลขนและก็วิญญาณขันอย่างยกตัวอย่างเช่นเวทนาธรรมหรือเวทนาขันเนี่ยถ้ารูปประธรรมก็กําหนดดังที่ได้กล่าวใช่ไหมถ้าสมมติว่าเกี่ยวกันในเรื่องของเวทนาก็คือว่าเวทนาขันก็คือมี บางแห่งถ้าไปเจอในคําสอนเนี่ยท่านจะบอกบอกว่าเวทนาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีมากไปกว่านี้ก็หมายความว่าคําว่ามีเพียงเท่านี้ไม่มีมากไปกว่านี้ก็แปลว่ากําหนดปัจจาลักษณะของเวทนาและสามัญลักษณะของเวทนานให้ชัดนั่นเองแม้สัญญาขันสังขารแล้วก็หรือเวทนาเขาบอกว่าท่านก็ท่านจะสรุปในคําสอนว่าเวทนารูปขระคันก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีมากไปกว่านี้เวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน แม้วิญญาณนักขันก็มีเพียงเท่านี้ขันเหล่านี้สังขารธรรมเหล่านี้ไม่มากหรือน้อยไปกว่านี้ว่างั้นไม่มากหรือน้อยไปกว่านี้อย่างยกตัวอย่างเช่นเวทนาขันก็คือสภาพที่เสวยเสวยก็คือกินกินรสของอารมณ์ซับเดียวกันเสวยคือกินสัญญาขันก็คือสภาพที่จําอารมณ์สังขารขันคือสภาพที่สามารถปรุงแต่งแต่งยังไง ปรุงแต่งให้สำเร็จให้ผลธละทอันอันเหตุของตนของตนเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดขึ้นลักษณะเป็นอย่างนั้นทีนี้การใส่ใจคำแนะนำในอัจกราในดีกาต่างๆที่ท่านกล่าวเขาไวน้น่ท่านก็เลยบอกบอกว่ารูปขันเวทนาขันสังขารขันและวิญญาณขันน่ท่านบอกต้องกำหนดโดยไม่เหลือโดยลักษณะโดยรศัศโดยปัจจุบัฐานและโดยประทัดฐาน ที่นี้ในกลุ่มบุคคลเนี่ยมีสองกลุ่มที่ ท, ท่านเรียวเนี่ยคือโอคติตันยูกับวิปจิตัญยูผู้ที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจสีเพียงฟังหัวข้อเดีเยวหัวข้อทำอันเกี่ยวกับอริยาาสัจสี่ทิศทรงแสดงเท่านั้นท่านแสดงทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกและข้อปริบัติให้เข้าถึงความดับทุกบุคคล น, นั้นเรียกว่าอุคติตันยูคือสามารถรู้แจ้งอริยาาสัจสี เพียงแค่ได้ยินธรรมที่ทรงขยายเกี่ยวกับสัจจะสี่เล็กน้อยเท่านั้นหรือขึ้นหัวข้อว่างั้นเถอะขึ้นหัวข้อสัจจะสี่บรรลุได้ส่วนกลุ่มวิปจิตัญญูก็คือต้องขยายต้องขยายอริยสัจสี่นั่นแหละต้องมีการขยายเกี่ยวกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิปจิตันญูถ้าหากเรามองอย่างนี้ก็คือว่าบุคคลเหล่านี้ยเขาแค่ฟัง สูตรปุบเนี่ยเข้าไปแล้วนเนี่นะหรือในสูตรที่ขยายเข้าไปแล้วสองกลุ่มเนี่ยค่อนข้างยังไม่ค่อยยากเลยแต่แต่กลุ่มที่เหลือในยะนี่นะกลุ่มนี้แหละกลุ่มเนี้ยที่จะต้องเคี่ยวเข็นถ้ายิ่งถ้ายิ่งปะท้าปะละมาได้แล้วก็เอาพบถัดไปเยอะเลยไอตรงเนี้ยก็เป็นเครื่องวัด ในคำสอนท่านพูดถึงในเรื่องของคำว่าปุาพหะประโยคตรงนี้ในเรื่องของปฏิสัมพิธามาามาเยอะเลยเลยไปกรณีปุพหะประโยคที่กล่าวในชั้นของพระวิธรรมที่บอกเหตุ5ประการเนี่ยปริยัตการศึกษาการท่องจำการทรงไว้ซึ่งพระปริยติธรรมสวระก็คือการฟังอัตถกถาการฟังคำสอนต่างๆอันเป็นอัถการฟังธรรมของพระบาลีหรือ พุทธพจน์ทั้งหลายเนี่ยอันนั้นจัดเป็นการฟังทั้งพุทธพจน์และทั้งอัจฉริยะดีกาทั้งหลายอันนั้นเป็นสาวนะไปปริปุชาก็คือการถามบทที่ยากการถามบทยากการอธิบายความหมายที่ยากข้อความที่ยากในพระบาลีในอัจถริยเป็นต้นเนี่ยเหตุสามอย่างนี้เป็นเหตุสําคัญมากแห่งการได้ปฏิสัมพิทายาณใช่ไหมพร้อมทั้งการบรรลุอริยมรรค ไม่ใช่เป็นเหตุสําคัญมากต่อการได้อริยมรักและเหตุผลที่มีอราตผลเป็นขอบเขตทีนี้กรณีเห็นคําว่าอธิคมอธิคมเนี่ ย, เ, ยเป็นชื่อของอริยมรักใช่ไหมการบรรลุมรักผลเนี่ยมรักและผลเป็นต้นเป็นอธิคมไปะบุพผะพโยคเหตุคือเคยเจริญสมถาวิปัสนาจนถึงวิปัสสนาญาระดับสูงแนดี เช่นสังขารลุเปกขายานมาในพระบรมศาสดาองค์ก่อนๆมาแล้วเป็นเหตุสำคัญมากต่อการบรรลุมรรคผลในปัจจุบันภพคือเราเนี่ยอาจจะเคยได้แต่มันอาจจะถูกทับถมจนกายนึกไม่ออกไอ้ตรงนี้ก็คิดอย่างนี้ก็ค่อยๆชื่นใจนิดใช่ไหมอันนั้นก็คือว่า ปุพภะประโยคเหตุนะั้นเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิทาญาณหรือไม่ก็ตอบว่าเป็นเหมือนกันอธิคมเป็นโลกุตรธรรมปฏิสัมพิญาญาณเป็นทั้งเป็นกามาวจรธรรมถ้าเป็นของเศรษฐาบุคคลก็เป็นมหากุศลญาณสัมบยุทธ์นะเป็นกาาวจรถ้าเศรษฐาบุคคลก็เป็นมหากริยาญาณสัมบยุทธ์ทีนี้ปุพภะประโยคค้าก็คือเหตุเป็นเหตุสําคัญต่อการได้ปฏิสัมพิธาม อย่างเหมือนกับเป็นเหตุสำคัญมากต่อการบรรลุมรรคผลเหตุสามอย่างก็คือปริยัติธรรมการศึกษาคำสอนสวนะคือการฟังใช่ไการฟังปริปุชฉาการถามบทที่ยากที่ติดขัดที่เป็นพก คันทีบทพวกข้อขอดทั้งหลายที่เราขยายไม่ออกเนี่ยเนี่ยอ่าแล้วมันติดหรือว่าศึกษาแล้วฟังมันติดเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องจะช่วยทำให้เรานั้นกระจ่างแล้วก็โล่งในกรณีแห่งการที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเข้าถึงคำสอนได้ได้ได้ไดเนี่ยทีนี้ถ้าหากในคำสอนที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเป็นเหตุแห่งการได้ปฏิสัมพิธายานเป็นเหตุแห่งการได้บรรลุอธิคมเนี่ย แล้วก็รวมกับเป็นเหตุสนับสนุนให้ได้ปฏิสัมพิทายานดังกล่าวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือปุรุชนน่ยถึงแม้ศึกษาพระปริยนิติธรรมมากเก็บคําสอนอย่างใดก็ไม่สามารถบรรลุปฏิสัมพิทายานได้ส่วริยาสาวกนเนี่ยนะอย่างเช่นพระนนท์เนี่ยนะพระนนเนี่ยพอเป็นพระสวัสดิบัลท่านได้แล้วนี่นะท่านได้ปฏิสัมพิธาแล้วทีนี้ประการต่อมาคือว่ากรณีการกําหนด ในการพิจารณาการค่ครควนต่างๆเหล่าเนี้ยนะตรงนี้ก็คือว่าเอาเลยเลยไปดีกว่านะมาจะไม่พูดถึงในเรื่องของการเดี๋ยวก็ไปยาวเลยไปอัฏฐปฏิสมิทาธรรมานิรุตติปฏิทานะนี่เนะี่ยเอาเข้าข้าวก็แล้วกันพราะเข้าข้าวเพราะจะได้รีบไปใช่ไหมเข้าสาระที่เราต้องการศึกษากันทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการว่าอุปาทานขันเนี่ยนะนะทั้งปัจจุบัน ที่เป็นอดีตปัจจุบันอัจชช ต, ตาิยะหิธาพหิลากาสุขุมาหีนาปนีตาธุระและสันติกาต่างๆเหล่านี้เป็นทุกขสัจจะเป็นทุกขสัจจะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยนะภายในภายนอกอย่างละเอียดเล็วประณี๋ยดใกล้ๆเป็นทั้งหลายเหล่าเนี้ยคราะห์สังกิเตนะปัญจุป า, า, าทานขันธ์ธาตุขาเนี่ยในคมภีสั่งยุ hence ปัญญาที่รู้ทุกขสัจจานั้นแหละชื่อว่าอัถาปฏิสัมพิทา นี่เขาเรียกปัญญาที่รู้อัฏฐะก็รู้ปาทานขันธนะ์หรู้รูปรขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เวทนนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปราณีตไกลไกลใช่ไหมทั้งหมดเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นทุกขสัจจะเขาเรียกว่าสังคิเต น, นะปัญญุบาดาณนะขันธารุขขาแล้วก็สวดกันประจำใช่มเพราะว่าปัญญาที่รู้ทุกขสัจจะเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐะปิสัมพิทาปัญญาที่รู้อัฏฐะ ทีนี้สังขารธรรมทั้งหลายที่ถูกอวิชชาตันหาและอปาทานห้อมล้อมเป็นบริวารชื่อว่าสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะเนี่ยในชั้นของพายบิธรรมในชั้นของอัตถกถาเนี่ยท่านจะบอกไว้เลยว่าปัญญาที่รู้ทุกขสัจจะและความเกิดของทุกขสัจจะเพราะสมุทัยสัจจะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิธาเขาเรียกว่าปัญญาที่รู้เหตุ รู้เหตุทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะเหตุของทุกขสัจจะน่ยไม่ใช่มีไม่ใช่มีแต่สมุทัยสัจจะเช่นอวิชชาเนี่ยก็เป็นเหตุของทุกขสัจจะตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุด้วยกรรมอุปาทานแลือีกเยอะนั่นคือเหตุของทุกขสัจจามันเลยฉะนั้นปัญญาที่ไปรู้เหตุทั้งหมดเหตุของทุกขสัจจะและไปรู้ ตัวทุกข เ, เ, เป็นเหตุของทุกขสัจจะและเปรู้สมุทยัยสัจจะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิธาใช่ไหมเรีกธรรมะปฏิสัมพิธาเรีกปัญญาที่รู้เหตุของทุกขสัจจะและรู้สมุทยัยสัจจะเหตุของทุกขสัจจะเนี่ยมีเหตุของทุกขสัจจะเนี่ยไม่ใช่มีเฉ พ, เพาะสมุทัย ปัญญาที่ฉลาดในโวหารสัมนวนชื่อต่างๆของปรมัต ธ, ธรรมฉลาดในปฐวีคือดินเนี่ยนะอาโปคือน้ำเตโชคือไฟวายโยคือลมภัสสคือความถูกต้องเวทนาความรู้สึกเจตนาความตั้งใจวิญญาณก็คือรู้อารมณ์เนี่ยนะชื่อว่าทุกขสัจจและสมุทยสัจจะนะชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา รู้ทั้งทุกขสัจจะรู้ทั้งสมุทัยสัจจะรู้ชื่อรู้บัญญัติของสภาวธรรมปรมัตถธรรมเหล่านี้ได้อย่างชํชนานิชํานาและช่อมชองนี่เขาเรียกนิรุติปฏิสัมพิทาเป็นอย่างนี้ครับองมองเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เริ่มมึนเลย <c oughs> มึนว่ะไม่มึนเลยเขาเรียกปัญญาที่ฉลาดในโวหารในจำนวนชื่อต่างๆของปรมัตถธรรมเมื่อบางทีพูดเรื่อง ปทวีเนี่ยพูดเรื่องปทวีคือธาตุดินอาโปคือธาตุน้ําเตโชคือธาตุไฟวายโยคือธาตุลมนเนีก็ฉลาดในโวหารที่จะทีนี้ตัววิปัสนาปัญญาที่ไปรู้อัฏฐะปฏิสัมพิทาญาปัญญาวิปัสนาญาที่เขาไปรู้ธรรมะปฏิสัมพิทาญาและรู้นิโรติปฏิสัมพิทาญาซ้ําอีกครั้ง อันนั้นชื่อว่าปฏิภาณนะปฏิสัมภิทา <c oughs> ก็ปัญญาที่เข้าไปรู้อัฏฐปฏิสัมภิทายานก็คือไปรู้ผลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทุกสัจจะนั่นเองทั้งหมดนั่นเองใช่ไไปรู้ปัญญาที่เข้าไปรู้เลยตัวปฏิสไปไปรู้อัฏฐปฏิสัมภิทายานเลยแล้วก็ปัญญาที่เข้าไปรู้ธรรมะปฏิสัมพิทายานเลยปัญญาที่เข้าไปรู้ เขตของพลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแล้วก็ปัญญาที่เข้าไปรู้นิรุตติปฏิสัมพิทายานเลยที่ปัญญาที่ฉลาดในโวหารของปรมัตถธรรมทั้งหลายเหล่านั้ น, นอันนั้นแหละเขาเรียกปฏิพานนะปฏิสัมพิทายานอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้ในอภิธรรมทั้งอธิกถาและในวิสุทธิมักเป็นต้นเหล่านี้เนี่ ย, ยก็ไปดูในรายละเอียดดูไปดูมาแล้วกลับมาถามครูบาอาจารย์ยังดีกรัาไม่โลกอ่านแล้ไม่เข้าใจ บางคนเป็นอย่างนั้นแต่บางคนอ่านก็ทะลุทะลวงเลยนั้นพระอริยบุคคลนั้นบรรลุปฏิสัมพิทายานตามสมควรแก่บุคคลนะโกะมาหมากฏิตาเนี่ยนะเทระเนี่ยท่านก็บรรลุปฏิสัมพิทายานค่อนข้า ง, า ง, างสูงอริยะบุคคลเนี่ยนะก็บรรลุตามลําดับไปนะตามลําดับทีนี้เหตุสําคัญมากของอธิคมคืออริยมรรคและอริยผลนอันมีอรสาธผลเป็นขอบเขตก็คือปุพพะประโยค เหตุนั่นเองนะหากปราศจากปุพพ ร, ระโยคะเหตุแล้วก็ไม่สามารถบรรลุปฏิปฏปฏปฏสัมพิทายานได้แน่นอนหากเหตุสองอย่างนะปุพพายโยคากับอธิคมในครบถ้วนก็สามารถบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทายานได้เนี่ยนะพระสารีบุตรพระโมคคารนะเอวยพระพาหิยัทารุจริยาเนี่ยได้บันสมิทายานพร้อมกับการบรรลุมรคลอ克拉สาวกก็ได้บำเพ็ญบา ร, รมี มาตั้งหนึ่งหรือสงไข่ใช่ไหมแสนกับเนี่ยฉะนั้นกรณีที่ท่านบรรได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยหรืออย่างเช่นท่านพระพายยะทารุจริยะเนี่ยบําเพ็ญบารมีเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมมิทายานมาตั้งแต่าศาสนาพ ร, าระเจ้าปทุมมุตลราเนี่ยบําเพ็ญมาตั้งหนึ่งหรือสงข่นี่นึ่งที่จริงท่านรพระที่บําเพ็ญมาเกินแสนกับเนี่ ย, ท, ท, ยท่านพายะท่านพายะทรุจริยะเนี่ยเกินแสนกับนันเนี่ยแต่ว่าท่านไม่ได้ปรารถนาฐานะอื่น ท่านปราถนาบรรลุเรวพันแต่ชื่อจารึกได้เนี่ยนะฉะนั้นปพถะประโยคต่างๆเหล่านั้นพระเทเรศได้บำเพ็ญบารมีใหเวลาท่านเจริญวิปัสสนาสังขางรธรรมยอถึงสังขารุเปกขาญาณเนี่ยนะใกล้นุโรมาญาณและโคตรภูญญานในาศาสตร์สารพูตเจ้าในองค์ก่อนมาแล้วถ้าลักษณะอย่างเนี้ยท่านบำเพ็ญใกล้ชิดใกล้ชิดใกล้ชิดเนี่ย น, นะสรุปแล้วก็คือเฉียดเฉีวเฉียดเฉีวมาแล้วแต่ท่านหมดโอกาส หมดโอกาสยังมาปัจจุบันนพบยังเดินทางผิดด้ฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือการกําหนดนี่แหละการกําหนดพิจารณาอปาทานขันห้าอดีตปัจจุบันนาคตปัชชะ ต, ตาพยิตาโลโอราลิกาสุขุมาฮีนะปณีตาทุระและสันติกะนะชื่อว่าทุกขสัจจานั้นด้วยปัญญามาแล้วและเคยกําหนดทําเหล่านั้นโดยลักขณะที่เจตุกะ ท่านเหล่านี้นะโดยลักษณะรักษาปัจจุบานและปะัจสานด้วยปัญญามาแล้วด้วยกันทั้งนั้นบุคคลเหล่าเนี้ยฉะนั้นกรณีที่ท่านมาบรรลุนะี่ยอย่า ก, กังวลอยา่าสงสัยท่านว่าทำไมรวดเร็วเหลือเกินเพราะท่านช่ชําชองมาในอัธยาศัยในขันธสันดานของท่านมาอย่างชัดเจนเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นท่านถึงเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราก็จ ะ, ตะเตลิดต์พอมาปฏิบัติถ้าไม่ดูมุมเนี้ยต้องรู้มุมนี้ไว้เวลาจะศึกษาละขณาเจตุการเดียวทอ วอ๊ะเราทำไมจะต้องมาเคี่ยวมาเข็นเงินขนาดนี้อะไรเงี้ยนะเข้าใจใช่ไหมถ้างั้นจะได้ไม่มันจะได้โอ๊ยท้อดิเราเนี่ยเทก็ท้อเลยแล้วก็บอกเอ๊ะคนเขาอ่านกัน น, นี้เขาบรรูุนี่ฟังงี้ก็าบรรูุนี่เราไม่ต้องไปไขควนขนาดนี้แล้วก็ยกขึ้นสุดไตรลักเลยก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะก็เรียบร้อยจริงๆเราคือไปไม่ได้ไปไม่ได้เลย นั้นเคยกําหนดปฏิจจสมุปบาททำและเป็นเหตุเป็นผลของการและการในชื่อว่าสมุทยัยสัจจะโดยปัญญามาแล้วเคยกําหนดรู้องค์ปฏิจจสมุปบาทนี่ยนะโดยลักษณะที่เจตุกะโดยลักษณะรักษณะษณษปฏิปทาฐานปฏทฐานมาด้วยปัญญามาแล้วและท่านเหล่านั้นเคยกําหนดรอบรู้วิปัสนาญาณสังขารธรรมอันชื่อว่าทุกขสัจจะสมุทยัยสัจจะโดยลักษณะสาม และเคยกําหนดรอบรู้สังขารธรรมโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์กเป็นอนัตตาด้วยวิปัสนาญาณสมาธิิด้วยตนเองนะจนบรรลุวิปัสนาญาณสูงสูงมาแล้วด้วยกันถึงนั้นนั่นคือคนก็มีบา ร, รมีนะเหตุสามอย่างที่เรียกปุพพประโยชน์ค้าของบัณฑิตเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นบรรดาพระเถเรสเหล่านั้นอัคระสาวกเป็นต้นเหล่านี้ยในเวลาที่ยังไม่บรรลุพระโสดาบันเช่นพระพายะธารุจริยะเถเรสในเวิายังไม่บรรลุเป็นพระอารณ์ในในพบเนี้เมื่อยังไม่ได้กําหนดสังขารธรรม สมมติว่าถ้าไม่ได้กําหนดนะทุกขสัจจะส ม, มุทัยสัจจะก็ดีหรือยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลากําหนดก็ดีโดยลักขณะที่เจตุ ก, กะก็คือลักษณะรักษาประเจตฐานประทัฐานโดยละเอียดแต่ไม่ได้แต่ได้กําหนดรู้สังขารและธรรมทั้งหลายโดยลักษณะรักษาประทุประฐานประทัฐานในพุทธเจ้าทั้งหลายในองค์กรมาแล้วนั้นการเคยกําหนดสังขารและธรรมด้วยปัญญานะ่ยจึงเป็นอุปนิสัย เป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากต่อการมารรลุอริยสัจจะของท่านเหล่านั้นตรงนี้ก็ทุกท่านตรงนี้เราต้องการอยากจะทราบให้เราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติเนะี่ยอย่าไปแข่งกับพระเทเรซาเหล่านั้นซึ่งมีปุพพะปโยคะอันสมบูรณ์มาแล้วดีไหมอันเนี้อันนี้คือต้องการอ้างเหตุผลก่อนไม่ใช่ว่าเอามาเรียนรู้กันเฉยๆแล้วก็ผ่านไป ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นถึงถึงถึงถึงเออนั่งปลาลบคุยกันอันนี้เป็นการคุยกันแต่ก็รู้จะได้กี่ครั้งใช่ไหมเพราะสังขารเราทำก็เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมก็ไม่รู้จะได้กี่ครั้งตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากว่ากรณีอย่างนี้ก็เป็นข้อบ่งบอกว่าถ้าอย่างเราเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวมันก็ไม่พอแต่ถ้าไม่ฟังไม่อ่านจบเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้ ทั้งนั้นดีแล้วไม่ฟังไม่อ่านยิ่งจบเลยแต่เนี้ยเพราะด่านแรกยังไม่ผ่านใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าบุคคลที่จะศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดานั้นผู้ประสงค์เนี่ยนะจะฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาที่ถูกต้องก็คนเชื่อเลื่อมใสมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นมีมณสิกาลธรรมในการเคารพต่อพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาผู้ตัสรู้เนี่ย ด้วยพระ อ, องค์เองแล้วก็ต้องเคารพต่อพออระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายผู้อธิบายความพระธรรมไว้ให้ง่ายแก่ผู้อ่านและผู้ฟังเนีฉะนั้นก็ต้องเคารพโดยความเคารพโดยความเอื้อเฟื้อให้ชัดเจนทีนี้มาศึกษาในเรื่องของลักษณะรักษ า, กาปัจจุบันประทัดฐานตรงนี้ก็จะอาศัยจากในอภิธรรมอัตถกถาบ้างในมูลดีกาบ้างในภาษาดีกาบ้างหนึ่งเอามาผาสมกันก็ ก็จะกลันออกมาพยายามจะก็ไม่รู้จะได้แค่ไหนเนี่ยก็จะพยายามก็แล้วกันก็จะดูในร้านหนึ่งรักขณะที่เจตุ ก, กะเนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้ในมาในภาษาดีกาคําว่ารักขังมีมาจากคาว่ารักคยติเอเตนาติรักขณะเนี่ยเครื่องหมายที่เป็นเหตุเครื่องหมายที่เป็นเหตุ เครื่องกําหนดเครื่องกําหนดหรือเครื่องพิจารณาให้ควรต่อยานปัญญาของพระโยคีทั้งหลายหเหล่านี้เหตุนั้นเครื่องหมายนั้นเชื่อว่าลักษณะลักษณะนั้นมีสองอย่างคือสามัญยลักษณะหมายถึงลักษณะของสังขารธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงเนียมีอนนี้จะลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยง ทุกรักษณะลักษณะที่เป็นทุกอนัตตลักษณะลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็อสุภะลักษณะด้วยลักษณะที่ไม่งามด้วยโดยมากสามัญยลักษณะนี้ยมักจะปรากฏแก่วิปัสนาญาณปัญญาของบุคคลทั้งหลายถามว่าแม้วิปัสนาญาณของแต่ละบุคคลบางท่านยังไม่เคยเกิดเลยแต่ลักษณะทั้งสามนี้ก็มีอยู่แล้วท่านจึงเรียกว่าสามัญญลักษณะนี่นะลักษณะที่ กล่าวในลักษณะนี้ที่ท่านบอกว่าเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิพัตฐาก็จะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยลักษณะกล่าวคือสามัญยลักษณะเนี่ยก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่จะปรากฏต่อยานปัญญาของผู้พิจารณาผู้ไข้ค ร, ครวญหรือผู้กําหนดรู้หรือไม่เท่านั้นเองทีนี้ในคําสอนถ้าสรุปตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมาคือสภาวะลักษณะ มีลักษณะเฉพาะเฉพาะของตนเนี่ยเช่นรูปรูปมีรูปปณาลักษณะมีการแตกดับเป็นลักษณะจิตก็มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะภาษาก็มีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะเวทนาก็มีการเสวยรสของอารมณ์เป็นลักษณะสัญญาก็จําอารมณ์เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสภาวะลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตนไม่สาธารณะทั่วไปต่อสังขารธรรมทั้งหมดทีนี้ในกรณีอย่างนี้ก็คือลักษณะมีสองอย่างดังกล่าว สรุปตรงนี้ก็คือว่าสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะลักษณะสามอย่างอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าสามัญลักษณะเพราะเกี่ยวข้องทั่วไปกับสังขารและธรรมทั้งหมดดังกล่าวสามัญลักษณะนั้นเวลาถึงตอนกําหนดวิปัสนาผู้ปฏิบัติต้องกําหนดให้รู้เห็นด้วยตนเองด้วยสมาธิทิฏฐิยานะก็คือปัญญาที่รู้เห็นอย่างถูกต้องเพราะเกี่ยวข้องกับวิปัสนาญาณเท่านั้นจึงเนี้ยนะ ตรงนี้ก็คือในอดีกาท่านก็ขยายรูปปัณาลักษณะก็คือความเกิดขึ้นของรูปสันตติลำดับความเกิดต่อของกันและกันของรูปธรรม ท, ทั้งหมดอันเกิดก่อนก็คือรูปปัณสันติและดำดับความเกิดต่อเนื่องของรูปธรรม ท, ทั้งหมดอันเกิดหลังใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยลักษณะที่ว่ามีการ เพราะเหตุที่ตรงกันข้ามกับตนคือความเย็นและความร้อนเป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของรูปที่บอกว่าสีตุลหาทิวิโรทิปัจจเยหิรูปปฏิติปลูปังธรรมชาติใดย่อมเปลี่ยนแปลงสลายไปเป็นไปตามลําดับก็คือเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งรูปสันตติลําดับความเกิดขึ้นต่อเนื่องของรูปธรรมทั้งหมดอันเกิดก่อนกับรูปสันตติคือลําดับ การเกิดต่อเนื่องกับรูปธรรมทั้งหมดที่เกิดหลังๆไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะปัจจัยที่เป็เปนปฏิปักษ์ก็คือความเย็นและความร้อนเป็นต้นอันนั้นนะ่ะเรียกว่าลักษณะลักษณะของเขาเพราะเกี่ยวข้องกับรูปธรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรูปธรรมทั้งหมดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นเป็นสามัญญะนีเป็นสามัญญลักษณะนี เพราะเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาหยุดต่ อ, ต, อ, ต, อต่อเนื่องอยูงเนี้ยทีนี้รูปสั น, สน ต, ติตรงเนี้ยมันไม่ปรากฏในญาณปัญญาของเราท่านทั้งหลายเสีทีมันก็เลยไม่เห็นการสืบต่อระหว่างรูปที่เกิดก่อนกับรูปที่เกิดหลังที่มันเกิดขึ้นสืบต่อกันเป็นไปตามเนี่ยอะไรเป็นเห็นการเกิดขึ้นสืบต่อก็รูปสัน ต, ติลำดับการเกิดต่อของรูปธรรมทั้งหมดที่เกิดก่อนกับลำดับการเกิดต่อเนื่องของรูปธรรมทั้งหมดอันเกิดหลังตรงเนี้ย พระเหตุที่ตรงกันข้ามอะไรลราเป็นเหตุตรงกันข้ามก็คือเย็นกับร้อนเป็นต้นเย็นและร้อนเป็นต้นนี่เป็นปฏิปักเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้รูปธรรมเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลายไปเขาเรียกภาษามันยนลักษณะของรูปธรรมนั่นเองมันเกี่ยวข้องกับรูปธรรมทั้งหมดส่วนนามธรรมทั้งหลายนี่เนี่ยนามะนลักษณะเนี่ยถ้าท่านกล่าวสรุปเนี่ยท่านจะเรียกว่าสภาพที่สภาวะที่น้อม น้อมไปสู่อารมณ์อันเกี่ยวข้องกับตนของนมามธรรมทั้งหมดทั้งหมดนะให้สังเกต ด, ดูไหมถ้ากล่าวสรุปเนี่ยท่านจะกล่าวใช้คําว่าน้อมไปแต่ไม่ใช่ว่ายังไม่เคยรู้ลักษณะที่จะถูกกาวเลยมันน้อมไปน้อมไปอันนี้ไม่ได้อีกนี่ต้องเน้นเพราะไอ้ลักษณะน้อมไปมันเยอะเหลือเกินยังไงแต่จริงๆท่านกล่าวโดยฐานะสรุปให้เข้าใจว่านมามธรรมทั้งหมดมีลักษณะการน้อมมีลักษณะการน้อมไป น้อมไปสู่อารมณ์มันเกี่ยวข้องกับตนของนามธรรมทั้งหมดอันนั้นก็เรียกว่าสามัญลักษณะของนามธรรมเพราะเกี่ยวข้องกับนามธรรมทั้งหมดสามัญลักษณะสามัญลักษณะคือรูปนลักษณะและนามนลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับนามรูปบริเฉทญาณคือต้องรู้นามรูปปริเฉทญาณการเข้าไปวิจัยจนเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายเหล่านั้นน่ย ผู้ปฏิบัตนะิถึงตอนนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยนะก็จะกำหนดให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสัมมาทิฏฐาณนะของท่านพุนั้นได้ชัดเจนขึ้นนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คือเกี่ยวกันในเรื่องของสามัญลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมส่วนส่วนเกี่ยวในเรื่องของปัจจตรลักษณะหรือสภาวะลักษณะที่กล่าวก่อนหน้านิดหน่อยเนี่ยอันนั้นคือสภาพเดิม หรือลักษณะเฉพาะตัวใช่ไหมลักษณะเฉพาะตัวของจิตของเวรนาของสัญญาสังขารวิญญาณของรูปแต่ละอย่างเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะตัวก็เรียกสภาพเครื่องจดจําสภาพเดิมก็คือเครื่องจดจําเฉพาะตนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมหรือส่วนมากของรูปธรรมและนามธรรมานั้น น, นอันนั้นเขาเรียกว่าสภาวะลักษณะให้สภาวะลักษณะผู้ปฏิบัติเนี่ยถึงตอนนำรูปปริเฉทะยานก็จะต้องกําหนด สภาวะลักษณะเฉพาะตนเฉพาะตนของปรมัตธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้รู้เห็นด้วยสัมมาทิฏฐานนะสองส่วนอย่างนี้เขาเรียกกันลักษณะเนี่ยต้องต้องให้ชัดอย่างนี้นี่นี่ส่วนของลักษณะสองส่วน <S <S ถ้าไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนก็เอาไปฟังซ้ําๆมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมเขาบันทึกไว้แล้วใช่ไมใ่ใช่เช่นภัสสะไงะ ภาษาเขามีรักชนะเฉพาะตนและเขาเขารับอารมณ์ก็รับเฉพาะตนเวทนาก็เฉพาะของตนและเสวยรถอารมณ์ก็เสวยเฉพาะของตนเป็นต้นเหล่านี้นะ